ความสุขความเจริญจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทายาสีปทุมกำลังนำเสนอสุภาสูตรในทีกรณิกายสีละขันธวัชพระนนเทระได้ตอบคำถามของท่านสุภามานพถึงหลักการปฏิบัติพัฒนาจิต ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศแสดงไว้ในชั้นแรกก็ย่อเป็นสามสามชั้นเอ่อสีละขันธ์ันประเสริฐสมาธิขันธ์นั้นประเสริฐและปัญญาขันธ์นั้นประเสริฐคำว่าขันธ์ในที่นี้อาจจะแปลว่ากองหรือกลุ่มหรือหมวดหรือระดับอะไรก็ได้ อัญจะทอนถึงการปฏิบัติที่ทำให้กิเลสมันสงบลงไปโดยลำดับพอมาถึงระดับปัญญาขันตอนนี้ก็พูดอยู่ระดับปัญญาขันทั้งก็แสดงถึงผลของการปฏิบัติพัฒนาจิตมาถึงจุดที่เรียกว่าผู้ปฏิบัตินั้นมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ไม่มีกิเลสปรสาศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดผุดขึ้นโดยลำดับตั้งแต่ระดับวิปัสนาญาณคือความรู้ที่เป็นไปตามหลักความจริงที่แท้จริงเรียกว่าวิปัสนาคือเห็นอย่างแจ่มแจ้งําความเป็นจริง สิงนี้คำว่าเห็นในความหมายเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตคือว่ากิเลสมันจะลดลงความรู้ความเห็นจะสูงขึ้นแล้วก็สัทธาความเลื่อนใสในพระตนาตรก็จะเพิ่มผูดมากยิ่งขึ้นพอมาถึงจุดหนึ่ง ก็เป็นมโนโมยิทธิสามารถที่จะถอดจิตออกไปปรากฏเหมือนตัวตนที่แท้จริงนั่นแหละแต่ว่าเป็นกายที่สำเร็จด้วยจิตเรียกว่ามโนมยิทธิต่อไปก็เป็นอิทธิวิธิคือสามารถที่จะไปในทีต่ต่างๆโดยผิดปกติธรรมดาได้ เห็นว่าดำลงไปในดินหรือเบินเดินบนน้ำแล้วก็เลื่อนลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็แทรกไปบนภูเขาตลอดทั้งเดินเข้าไปในกองไฟก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เหมือนเดินตามปกติธรรมดาที่ประโสดคือมีหูทิพย์เมื่อต้องการจะได้ยิน อะไรของใครที่ไหนก็สามารถตั้งใจที่จะฟังได้แต่ตอนนั้นเราจะเห็นว่าจิตใจของท่านก็บริสุทธิ์มากไม่มีความคิดที่จะฟังอะไรด้วยอานาจของกิเลสแต่ถ้าฟังก็ฟังด้วยความการุณาต้องการที่จะแก้ปัญหาให้แก่ผู้คลเหล่านั้น ตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าทรงฉายบ่อยเวลาเสด็จประทับอยู่ที่พระวิหารต่างๆพระตั้งวงคุยธรรมะกันแล้วเกิดข้อข้องใจสงสัยไม่แน่ใจพู้เจ้าก็จะเสด็จไปปรึกคือกำหนดฟังด้วยหู ว, วนเป็นทิพย์ก็ได้ยินว่า คำพูดของท่านนั้นกำลังเกิดเป็นหาในด้านความเข้าใจพรุทธเจ้าก็เสด็จไปแล้วก็สนทนากับท่านเหล่านั้นแล้วก็ทิพกสคุคือตาทิพย์สามารถที่จะมองเห็นรูปที่ละเอียดประณีตยัยงไงก็ได้โดยตาทิพย์ที่มีสมรรถนะเกิน ตาเนื้อธรรมดาของมนุษย์แล้วก็มาถึงข้อที่เรียกว่าปุเพนวาสานติยานคือการาระลึกชาติบางก่อนได้การาระลึกชาติบางก่อนนั้นก็เกิดจากสภาพจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลส เป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ถึงอดีตชาติก็สามารถเลือกย้อนอดีตได้เป็นนรกกันนั้นก็เรียกว่าไม่รู้จะนับยังไงนะเป็นสังวัตตะวิวัตกับคือขนาดกับนี่เราก็นับไม่ไหวแล้วเป็นสังวัตตะกับวิวัตตกับ ก็เลยไม่รู้นับแต่งไงแต่มันแสดงให้เห็นถึงผลจากการพัฒนาจิตมนุษย์นว่าปถึงจุดหนึ่งจิตมนุษย์สามารถพัฒนาได้สูงสุดจนหลุดพ้นจากกิเลสและอารมณ์โลกทั้งหลายไม่ว่าจะกระทบกับอารมณ์อะไรก็ตาม จะดีหรือร้ายก็ตามจิตใจของท่านก็จะไม่แปรผันไปตามรูปเป็นต้นที่กระทบในขณะนั้นนันเขาเรียกว่าอ จ, จะละคือไม่สั่นไหวไม่หวั่นไหวแล้วก็ตาดีโนก็คือคงที่เป็นอย่างไรก็คงเป็นเป็นอย่างนั้นอุปมาเป็นรูปธรรมก็เหมือนกับ ภูเขาศิลาแท่งทึบที่ในวันไหวเมื่อลมพัดมาจากทิศทั้งสี่ก็อยู่อย่างนั้นแหละลมก็พัดไปฝนฟ้าก็ตกไปไหนจะแผ่นดินไหวอะไร ก, ก็อยู่เขาอย่างนั้นแต่ก็แสดงให้เห็นไดงว่ามันอยู่ในจุดที่มีความเข้มแข็งจริงๆงในนี้การระลึกชาติได้เนี่ย มันเป็นการรลึกซ้อนไปกับกระบวนการของกรรมคือมองเห็นความแตกต่างของชีวิตแต่ละชาติแต่ละชาติเกิดในกมัมเรอที่แตกต่างกันมีความยิ่งยอนไม่เหมือนกันเกิดในบายบ้างเกิดในมนุษย์บ้างเกิดในสวรรค์ชั้น ต, ต่างๆบ้างเกิดในพรหมโลกบ้าง สิ่งที่จำแนกให้แตกต่างกันนั้นก็เป็นเรื่องของกรรมตรู้รายละเอียดถึงรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสุขทุกอายุแล้วก็ตายจากชาตินั้นแล้วก็ไปเกิดเป็นอะไรก็รู้รายละเอียดในเรื่องเหล่านั้นอุปมาเหมือนบุรุษจากบ้านตนไปบ้านอื่น โดยจากนั้นบ้านนั้นไปบ้านอื่นอีกก็จะไปสักกี่บ้านก็ตามเมืออคนท่องเที่ยวอยู่เป็นสิบสิบปีเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งก็กลับมาบ้านตนตามเดิมก็เลือกได้อย่างนั้นว่าเราได้จากบ้านของเราไปบ้านโน้นไปบ้านนั้นแล้วก็ยืนอย่างนั้นแล้วก็นั่งอย่างนั้นได้พูดอย่างนั้นได้นั่ง นิ่งอย่างนั้นเมื่อออกจากบ้านนั้นไปบ้านโน้นก็ได้ใช้ยาบทอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ท่านที่ได้ปุเพนวาสสัญญาณคือลึกชาติก่อนได้ก็มีทักษณะอย่างนั้นย่อม้นมโน้มจิตไปเพื่อการลึกชาติปางก่อนลึกชาติได้เป็นอันมาก จุดนับกันไม่หวาดไม่ไหวล้วก็พร้อมด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตในชาตินั้ น, น, นในประการต่อไปนั้นเรียกว่าจุตูปปาตยานข้ความขึ้นต้นก็เหมือนกันว่าภิกษุนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลส ประสาจากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้ถึงการจุติและการอุบัติคือจุติก็คือตายนะอุบัติก็คือเกิดการเกิดการตายของตนที่มีความแตกต่างมีความยิ่งย o อนแตกต่างกันเช่นว่าเลวบ้างปนิดบ้างพืชพันธุ์ดีบ้างพืชพันธุ์ท า, ามบ้างได้ดีบ้างตกยากบ้าง ด้วยทิพยจกักษสุอันร่วงเกินจกักรสุของมนุษย์รู้ชัดซึ่งสัตว์ทั้งหลายที่ใครก็ตามประกอบทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแระว่าร้ายพระอริยะเป็นมิจฉาทิจิยึดการกระทำด้วยอำนาจของมิจฉาทิจิ สัตว์เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกอย่าเข้าถึงอบายทุ ก, กติวินิบาตานรกที่พวกประกอบด้วยสิสุจริตก็ตรงกันข้ามพวกนี้จะไม่ด่าว่าพระริยเจ้าเป็นสมาธิิฐยึดถือการกระทําที่เป็นสมาธิฐหมายความว่าอะไรก็ตามที่จะทํำจะพูดแม้แต่จะคิดนี่มีฐานของสมาธิฐิ คือปัญญาเห็นชอบเป็นหลักในการคิดในการตัดสินใจทาตัดสินใจพูดหรือแม้แต่ตัดสินใจคิดตรนี้ก็เข้าถึงสุกติโลกสวรรค์ที่มีความประณีตแตกต่างกันออกไปก็ในสวรรค์ น, นั่นเองแหละก็มีเลวมีประณีตมีผิวพธร์ดีผิวพันณซานได้ดีตกยากเหมือนกัน แต่ว่าสิ่งที่ทำให้รู้เห็นนั้นก็คือทิประจักสุอันบริสุทธิ์เกินจักสุของสามัญมนุษย์คือหมายความว่าถ้าเราไม่มีทิประจักสุเราก็เห็นไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่มีแต่ว่าเราไม่มีเครื่องมือในการดูตํ น, นานเลยค้าเชื่อไวรัสทั้งหลายนีย่มันมีเยอะแต่เราก็ไม่เห็นมัน เพราะเราไม่มีกล้องจุลทรรศสำหรับส่องดดังนั้นเราจึงใช้ความเชื่อเชื่อแพทย์ที่เขาเห็นสิ่งเหล่านั้นแพทย์เองก็เหมือนกันคือถ้าไม่ดูด้วยกล้องจุลทัศน์ก็ไม่เห็นเขาก็มาบอกกล่าวแก่เราซึ่งเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้มีกล้องจุลทัศน์แต่เขามีกล้องจุลทัศน์เขารู้เขาเห็นมาอย่างนั้นเขาก็บอกกล่าวเราก็เชื่อ เรื่องเชื้อโรคทั้งหลายอะไรต่างๆก็เหมือนกันเวล น, นี้เขาพูดว่ามีกล้องที่ขยายได้หลายร้อยหลา ย, ลายพันส่วนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแต่ต่อไปเรื่องการเห็นรูปที่ละเอียดเนี่ยมันจะเห็นก็ได้ขนาดไหนก็ไม่รู้แหะแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เห็นแล้วก็เกิด อ, อยากเห็นต่อถ้าไม่เห็นก็ไม่พอใจถ้าเห็นก็พอใจแล้วก็อยากต่อให้เราสังเกตเราวิชาการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นั้นมันเลือ่อนไหลไปตามกระแสของตัณหา mm. ก็มีการม า, ารตัณหาเพราว่ตัณหาพิภวตัณหานี่แหละหมายความว่ามาเห็นก็ดีใจแล้วก็อยากเห็นต่อ เห็นต่อแล้วก็อยากเห็นต่อแล้วก็ดีใจจิงไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีข้อยุติว่เาเมื่อไรจะจบกันแต่ความรู้ความเห็นของพระรเจ้าทั้งหลายมีพระวจ้าเป็นต้นนั้นมันมีข้อยุติคือไม่อื่นไปกว่านั้นอีกแล้วแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะเห็นต่อ เพราะเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องไปย้อนไกลขนาดนั้นก็ได้เช่นเราเห็นว่าคนในโลกแม้เราเองก็เกิดมาแล้วก็แก่ลงไปทุกวันระหว่างเกิดถึงตายเราก็เจ็บเราก็ป่วยเราก็พลดพลาดเราก็สูญเสียสัตว์อื่นทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้น สามารถที่จะอาศัยปัจจุบันเป็นข้อมูลแล้วก็มองตัดสินไปที่อดีตแล้วก็มองไปสู่อนาคตก็ได้วัาต่เหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นแหละไม่สามารถจะล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ครอนี้ พระอนุนที่จริงท่านไม่ได้อุปมาเองแต่ว่าอุปมาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเพราะว่าที่สุภมาณรถถามเนี่ยถามทีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระอนุนก็เอามาทบทวนให้ฝังและตีต่างว่าพระอนุ์จ ะ, สะแสดงเองก็สแสดงตามที่พระพุทธเจ้าสแสดงนั่นแห อารกี่รูปกรูท่านก็แสดงเหมือนกันท่านอุปมาว่ามันเหมือนกับสระน้ําบนยอดเขาที่ใสสะอาดไม่ขุนมัวบุรุษที่ตาดียืนอยู่ที่ขอบสระน้ําเห็นสัตว์น้ําสารพัดตั้งแต่ที่มันติดดินที่อยู่ติดดินเห่นหอยโคงหอยกาบก้อนกรวด กระเบื้องตลอดถึงฝูงปลาทั้งหลายที่แวกว่ายกันอยู่อหยุดอยู่ในสระน้ำก็คิดเห็นดังนี้ว่าสระน้ำนี้ใสสะอาดไม่ขุนมัวปราศจากหอยโขงหอยกาบก้อนกรวดกระเบื้องฝูงปลาต่างกมาังว่ายอยู่บ้างกำลังหยุดอยู่บ้างในสระน้นชั้นใด ปิฆูเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศ จ, จากกิเลสเป็นจิตอ่อนโยนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้มันก็เกิดความรู้ขึ้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่ออาสวะขยานคือยานที่ทำให้อาสวะคือกิเลสมันดับออไป อาสวะนั้นแม้จำนวนไม่มากนะแต่จำนวนเขามีสามท่านนั้นเองแต่มันก็เป็นการรวมกิเลสทั้งหมดเอาไว้คือกามมาสวะอาสวะคือกามความใคร่แสดงทาปฏิกิริยาต่อจิตคือลักษณะาการกำหนดอารมณ์ว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจและฝ่คว้า รนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นในรูปนั้นๆภาวาสวะอสวะคือพบต้องการเป็นในสถานะในตำแหน่งในพบในภูมิต่างๆที่ใจกำหนดว่าน่าใครนะ่าปรารถนาน่าพอใจแล้วก็รวมลงที่อวิชาสวะ อสวะคือวิชาที่กล่าวโดยสรุปก็คือไม่รู้อริยสัจสีตามความเป็นจริงทีนี้เมื่อรู้นี่ก็แสดงว่าเป็นญาณที่เกิดผุดขึ้นทำลายตัวรากงาวของอสวะก็คือวิชาสวะกรมอสวะภวาสวะซึ่งเกิดสืบเนื่องมาจากอวิชาสวะ มันก็ดับไปโลยานที่เรียกว่านี่อสวะนี่เหตุเกิดของอสวะนี่ความดับของอสวะนี่ข้อปฏิบัติได้ถึงซร่งความดับของอสวะแล้วก็รู้ว่าคนก็อสวะนี่ควรกำหนดรู้ตัวอสุวะนี่ควรละ ผลจากการไม่มีอัศวะเ็าควรทำให้แจ้งขึ้นแล้วก็เหตุได้เกิดผลคือจิตที่ไม่มีอัศวะก็ควรจะสร้างขึ้นควรกระทำบาเพ็ญใน้มางขึ้นจะเป็นญาณที่เกิดปุดขึ้นนท่านก็สรุปว่ามเมื่อเป็นเช่นนี้ญ <c oughs> าณก็จะเกิดปุดขึ้น รู้ด้วยจิตตนเองว่าเราหลุดพ้นแล้วรู้ชาติว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกแม้ข้อนี้ก็เป็นปัญญาขันอันอันประเสริฐของท่านประการหนึ่งแล้วท่ า, ารสรุปว่า มโนปัญญาขานั้นประเสริฐนี่แลที่พระพว้มีอยู่พระเจ้าได้ตัดสันเสริญทั้งยังชุมชนในยึดมั่นให้ตั้งอยู่ให้ดำรงอยู่ในพระธรรมิีในนี้มีได้กิจอะไรที่จะพึงทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ครับหมายความมันก็เสร็จภารกิจพอมาลุอัศวขยานม็เสร็จภารกิจท่านสุภาได้ การเรียนว่าข้แต่ท่านอนุนผู้เจริญน้าอัศจรรย์ยิ่งนักน่าพิศวงนักปัญญาขันนั้นประเสริฐบริบูรณ์แล้วไม่ใช่ไม่บริบูรณ์ข้าแต่ท่านอนุนผู้เจริญ ก, กญญาานนระผมไม่เคยเห็นปัญญาขันนั้นประเสริฐที่บริบูรณ์แล้วอย่างนี้ในสมณพราหมณ์พวกอื่นนอกจากพระศาสนานี้เลย และไม่มีกิจอะไรอื่นที่จะต้องทำมายิ่งกันไปกว่านี้นี่คือหลักคือมันสะท้อนภาพอย่างหนึ่งของสังคมของการศึกษาเรียนรู้รเราเห็นว่าคนสมัยนั้นก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นนักบวชสุภามาโนก็เป็นชาวบ้านเป็นลูกของโทเตยยพราม แต่ว่าก่อนที่ท่านจะเชื่ออะไรเนี่ยท่านก็ศึกษาค้นคว้าเทียบเคียงสอบถามสนทนาปราศัยกันอย่างที่รลวงพ่อพราทรงแสดงว่าการฟังทำตามการก็ดีสนทนารมตามการก็ดีเป็นวมมงคลเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากคือสังคมเราในปัจจุบันนี้เรียกว่า เลื่อนไหลไปตามกระแสเรียกว่าเป็นวัตุนิยมสังคมบริโภครือเราพบปากคนจะเป็นยังไงก็ตามโอกาสที่เขาจะมาแล้วเนี่ยเขาจะคุยเรื่องธรรมะหายากมากก็คุยเรื่องข้างนอก ทีนี้ถ้าเราจะประรบธรรมะขึ้นมาคุยมันก็ไม่มีเหตุมากพอหรือว่าคุยอยู่ไม่ได้นานเขาก็จะอ้างความจำเป็นลากลับไปประสูติที่ผ่านมาทั้งหมดในทีคณิกายศีลคันธวักนะฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของนักปลา พูดกันนักปรางรงลธทต่ทางศาสนาแล้วก็มาคุยกับทางพระพุทธเจ้าบ้างทางพระหานบ้างบนเรื่องที่ท่านพูดเนี่ยมันที่จริงค่อนข้างยากแต่เราก็ผ่านเรื่องค่อนข้างยากมาแล้วในสังยุตติกาย อย่างพวกเทวดาสัญยุตเนี่ยมันก็เทวดาคุยกับพระอรหันต์มีระพุทธเจ้าเป็นประธานมันก็ยากอะแต่มันก็เป็นข้อที่ท่านสงสัยท่านติดใจท่านใส่ใจหรือท่านเรียนรู้มาการถามบางอย่างก็ต้องการ การรับรองยืนยันจากพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ถูกต้องหรือบางอย่างก็เทียบเคียงเทียบเคียงกันดูว่าทิฏฐนเนอยางเงี้ยมันถูกต้องหรือไม่ก็มีบางคนที่ถามเพื่อจะลองดีเพราะเป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเราพระพุทธเจ้ารับสั่งถามเนี่ยเรียกว่าถามเพื่อจะตอบเองถามเป็นการกระตุน้นความใส่ใจความสนใจของบุคคลเหล่านั้นแล้วในที่สุดก็จะสรงตอบเองเรานึกถึงภาพคนหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยมานิมนต์พระไปที่บ้านพระก็มีสองรูป หือพระอนุเทระ ก, กับพระติตามรูปหนึ่งไปสนทนาธรรมะ ก, กันแล้วเรื่องที่คุยเนี่ยไม่นอกไม่นอกเรื่องเลยแต่มันยากแต่ในขณะเดียวกันก็เพื่อง่ายเนี่ยพระอนุตแสดงไต่เป็นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนในชั้นของสมบูรณ์นี่มันยาก แต่ก็ไม่มีใครที่มีความสมบูรณ์เราเรียนหนังสือเราก็ไต่ระดับไปตั้งอนุบาลก็ไต่ไปเรื่อยๆความรู้ความเห็นมันก็ชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆจบปัญญายเอกไปแล้วก็ยังหยุดเรียนไม่ได้เพราะมีเรื่องที่เรายังไม่รู้ดีเยอะ ความรู้ในทางโลกมันไม่มีที่จบสิน้นแต่ความรู้ทางธรรมในที่มีจบสิ้นได้เพียงแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยทุ่มเทอะไรกันเท่าไหร่เรื่องที่นํามาพูดส่วนใหญ่มันก็พยายามพูดในระดับวิถีชีวิตเป็นเรื่องทางสังคมเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการศึกษา เป็นเรื่องของศิละปะวิทยาการต่างๆแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติถ้าเราเทียบแล้วมอนก็ต้นไม้ต้นหนึ่งคือมันเชื่อมโยงกันทั้งต้นนั่นแหละแต่เราจะปีนขึ้นต้นไม้เนี่ยปีนขึ้นขนาดไหนก็ปีนไปเถอะปีนในปลอดภัยก็แล้วกันถ้าเรามีอันตราย แล้วก็มีต้นมาให้ปีนหนีขึ้นไปมันไม่ยอมหนีมันก็เป็นอันตรายฉันสีะขันนั้นเหนว่ามันเป็นเรื่องแนวคิดระดับที่อาจาเขาไมา่ใส่ใจเราคิดระดับลักษณะเทียบเคียงสอบทานราโดยสรุปก็คือว่า การกระทําันใดก็ตามที่เราไม่ปรารถนาให้คนอื่นกระทำต่อเราเราก็ไม่ควรกระทาเช่นเดียวเช่นเช่นนั้นกับบุคคลอื่นนั่นก็เป็นเรื่องระดับหยาบๆระดับหนึ่งเป็นเรื่องกริยามรนยากหมายความว่าพระในความรู้สึกมุมคิดของเราเนี่ยควรจะเป็นยังไง ท่านควรจะไปที่ไหนไปอยู่ที่ไหนควรจะแต่งเนื้อแต่งตัวอย่างไรควรจะอยู่ในเรือโบสถอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสถานที่กับกลุ่มคนกับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นซึ่ก็ไม่ใช่ข้อลงตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปแต่ว่ามันก็ไปเชื่อมโยงกับเหตุผล เชื่อมโยงฐานะของตนเชื่อมโยงกับความเหมาะความควรเชื่อมโยงกับกาลเทศะแล้วก็เชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลหรือว่าปฏิเจ้ะบุคคลที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในขนาดนั้นๆั้นคือทำยังไงให้คนเดียงไม่เรื่อมใสได้เรื่อมใสถ้าเริ่อมใสอยู่แล้วนี่รักษาความเรื่อมใสไว้ได้แล้วก็อาจจะเริ่อมใสมากยิ่งขึ้น เพเบทปัญญาตเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันคล้ายๆสมบัติผู้ ด, ดีมันไม่ถึงก็เป็นความชั่วความผิดสำหรับคนทั่วๆไปแต่ก็เป็นความชั่วความผิดสำหรับคนบางคนในสถานที่บางสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนในบางกลุ่มคน แล้วก็เป็นความเหมาะความควรในการละเทศะที่แตกต่างกันออกไปเพราะแต่เราไม่ใช่ข่าวความรุนแรงทางอารมณ์พยายามกำกับควบคุมราคะอย่าให้จัดโลภะอย่าให้จัดโทสะอย่าให้จัดโมหะอย่าให้จัดแต่คุมตัวตั ว, ต, วตัวแม่ตัวหลักมันไวเนี่ย อาการอย่างอื่นก็จะลดความเข้มข้นลงไปไม่มีความรุนแรงเพราะว่าอย่างไรยังไงในกิเลสมันก็แตกไปจากนี้แหละจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามมันก็พัฒน์กันไปถ้าเราเทียบแล้วใกล้ๆกับแม่สีซึ่งมีสามสี พอผสมกันไปผสมกันมามันก็มีสีเยอะเลยก็ยังไม่เคยมีใครนับว่าสีจริงๆมันมีกี่สียังไม่ได้พบตัวเลขนะว่ามีจริงๆมันมีกี่สีแต่มันก็เป็นคลื่นของสี ก, งกี่ก็จังหวะกี่ก็เสืาอผ้าไปล้อมต่างๆที่ทำให้เรามองเห็นไป ก็เป็นมายาภาพแต่มันก็มีรากงาวมาจากแม่สีทั้งสามผลพวกบาปอกุศลทั้งหลายโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันก็แต่กินก้านสาขาว่าเยอะเช่นยกตัวอย่างว่าตนีเนี่ยตนี้าถามใจตัวเองว่าทำไมรเราตนง เราก็จะเห็นว่าความตนี่ไม่ได้เกิดแก่คนทุกคนมันเกิดสําหรับบางคนที่เราไม่ชอบไม่ศรัทธาไม่รักไม่เมตตาไม่เอ็นดูไม่สงสารไม่นับถือคือความรู้สึกมันลบความรู้สึกมันลบเราเลยปิดกั้นตัวเองไม่ไปเกี่ยวข้อง แต่ในขณะเดียวกันมันมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคนหรอกมันอยู่ที่ใจเราซึ่งมีความโลภความหวงความเสียดายในสิ่งของขอ ง, ของเราไม่ปรารถนาที่จะไปส่งเคราะห์อนุเคราะห์แก่บุคคลอื่นแล้วก็เกิดเป็นความตนหนี ผลตณีบางทีมันก็เป็นอาการของโทสะบางทีก็เป็นอาการของโลภะบางทีมันก็เป็นอาการของโมหะเพราะว่าถ้าเรามองให้ลึกซึ้งเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ว่าต้องคิดให้ละเอียดคือสิ่งที่เราบริจาคไป มันเป็นสมบัติที่แท้จริงของเราก็เรียกว่าติดชีวิตติดพพติดชาติกัเราไปก็ติดตามไปแต่สิ่งที่เราหวงไว้ครอบครองไว้ยึดติดไว้เนี่ยเป็นสมบัติที่จะอยู่ภายในครอบครองของบุคคลอื่นเ ต, ตายแล้วเราเอาไปไม่ได้ มันจึงไม่น่าเชื่อที่ว่าสิ่งที่เราไม่ยอมครอบครองเนี่ยคือสิ่งที่เราครอบครองแต่สิ่งที่เราครอบครองเนี่ยคือสิ่งที่เราไม่ได้ครอบครองทีนี้ไอ้ความคิดอย่างนี้ให้มันลึกซึ้งอย่างนี้มันก็ต้องมีปัญญาก็หมายความามโมหะมันต้องลดไปเห็นค่าของบุญกุศล ที่ตนจะต้องกระทำอย่างเราพบเรื่องราวของพระยาบุคคลบางท่านท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญคนหนึ่งมีความยากจนมากครอบครัวสองคนนะครับมีความยากจนมากก็ได้อาหารมา พอจะแบ่งกันกินสองคนแต่ไม่ถึงก็อิ่มหมายความถ้ากินคนเดียวก็อิ่มพอดีเห็นพระมาบินดาบาก็เกิดมีความรู้สึกว่าการที่เราเกิดมายากจนอย่างนี้เพราะว่าไม่เคยทำบุญบริจาคทานมาในการก่อนเพราะนั้นก็ขอทำบุญ พระท่านเป็นพระอาร า, ารหันเราก็ตักบาดไปครึ่งหนึ่งท่านก็ปิดบาทเพื่อโยมทั้งสองเนี่ได้แบ่งกันกินเพราะทั้งสองก็ไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วสองสามีพัญญาบอกว่าการอดข้าวหิวโหยเนี่ยมัน โยมก็ผ่านภพชาติมาเยอะแล้วมันก็อดข้าวหิวโหวยกันอยู่อย่างเงี้ยในชาตินี้ก็หิวโหวยไม่รู้สักกี่ครั้งแล้วผลก็ขอให้พระคุณจะพระคุณเจ้าได้รับทั้งหมดเพื่อสงเคราะห์โยมในชาติต่อไปไม่ต้องสงเคราะห์เฉพาะวันนี้หรอก เราจะเห็นว่าความคิดในลักษณะ น, นี้มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยยอมหิวยอมหิวโขยเสียดแทงทรมานปพราะขาดอาหารแต่ก็มีความมั่นใจในส่วนบุญส่วนกุศล ว, ว่าสามารถจะติดตามไปยังมวยผลแก่ตนได้พวกเรานี้จะต้องมีประสบการณ์ตรง หมายความว่ามารจะต้องผ่านการบริจาค ก, การสละมาแล้วก็ผลเป็นระมากที่เราเห็นในปัจจุบันก็ทำให้เกิดฉันทาอุตสาหะที่จะตําบลกุศลให้มา ก, กิงขึ้นไปทีนี้ถ้าทําอย่างเี้ยเราจะเห็นว่าทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะมันก็ลดนะจะเรียกชื่อธรรมะยังไงก็ได้ โจริงธรรมะมันก็เป็นอาการของความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นเองก็หมายความอาการที่เราสัมผัสในตอนต้นๆก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพอมาขึ้นระดับสมาธิให้ลองสังเกตว่าทุกข้อเนี่ยพทะเจ้าจะทรงอุปมาเทียบเขียงให้เห็นในอุปมาใ ห, ให้แต่ละข้อนั่นเอง มันก็เป็นวิถีชีวิตของเราในโลกปัจจุบันนี่แหละแสดงอะไรแสดงว่าเราก็ทำได้ระดับนั้นจะมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายนี่คำสองคำตอนนั้นแหละเป็นหลักใจได้ทำความดีอะไรได้อีกเยอะเลยโดยใส่คำเพียงสองคำเท่านั้นเองคือเมตตาและเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลาย ทีนี้คนเราเท่า ก, กับสิ่งที่มีชีวิตเรามีความเมตตาอินดูเนี่ยหมายความสัตว์ทั่วไปเราก็มเมตตาคนที่มีปัญหาเราก็อิน ด, ดูทีนี้เมื่อท่านเหล่านั้นประสบความเจริญก้าวหน้าสมบูรณ์ในลาภยศสันเสริญสุขเราก็มุติตา การดำรงชีวิตเป็นปกติสุขเป็นหลักเป็นฐานเราก็ทำใจสงบเป็นอเบคขาได้ยิ้มันก็เดินไปได้วันที่่าไรอ่ะยี่สิบพฤติการเนี่ยเป็นบญญรรยายอบรมที่สถาบันพัฒนาตุลักการ เป็นผู้ภาคสารระดับหัวหน้าสารกับผู้าสาระดับภาคก็หกสิบคนเขาพูดให้เขาขอให้พูดในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เราเห็นว่าที่จริงถ้าจิตเรามีหลักก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร และว่าฐานสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าต้องเชื่อเรื่องบาป บ, บุญคุณโทษแล้วก็เชื่อเรื่องสังสารวัตรว่าการเป็นศาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพิจารณากระบวนการของการต่อสู้ของโจทย์จําเลย ให้ยุติลงด้วยความยุติธรรมคือยุติได้ทำไม่มีความคิดเป็นอคติเพราะในฐานจิตนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่เราต้องมีเมตตาต่อคนเสมอกันไม่มีความคิดในการแบ่งแยก เป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาแล้วก็เมื่อคนอื่นแม้ความเป็นธรรมเนี่ยเราต้องเกิดสงสารและพร้อมที่จะเห็นกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคุ้มครองปกป้องคนเรานี้งานมาแล้วสมัยเป็นบวดใหม่ๆเนี่ยเห็นคำขวัญของ พุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ใช้คำสามคำนะลึกซึ้งมากกระจัดผ่านประสานมิตรประสิทธิธรรมนี่คือภารากิจที่ควจะต้องแสดงคือกราแสดในการตำหนิคนที่ควรตำหนิเมื่อเขามีการกระทำที่ควรตำหนิ แต่ในขณะตัวเองก็แสดงความเป็นผู้มีธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็พิสปรสสาทธรรมะคือความยุติธรรมเป็นธรรมเที่ยงธรรมให้แก่บุคคลทั้งหลายเป็นปนัญหาใหญ่ที่ทาไม่มีวันจบสิ้น พรปัญหานี้เป็นปัญหาที่เปราะบางในสังคมการบาทัองนี้เราจะเห็นว่ามันเข้าไปสู่สมาธิขันคือกองของสมาธิแล้วเพราะมันไปส ง, งบพวกนิวรณเห็นได้ชัดเจนว่าไอ้นิวรณ์เนี่ยมันส ง, งบลงไปส ง, งบความโลภลงไปส ง, งบความมักคาดพยาบาทลงไป สงบความเคลือบแครงสงสัยในเรื่องบาบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วเสือเ่อมเจริญสุขทุกข์ต่างๆนี่มันสงบลงไปได้แต่ถ้าเราขาดฐานความเชื่อตรงนี้ยังไงก็รักษายากเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันกระตุ้นให้โลภนี่มันเยอะมากแล้วก็สมรู้ร่วมคิด หมายความว่าฝ่ายที่ผิดเนี่ยไม่ต้องการให้ตัวเองผิดก็ต้องใช้อุบายยุทธีการต่างๆมีการเสนอสินบาทรขาสินบุญอะไรต่างๆแล้วก็รับรู้กันเฉพาะคนสองคนก็หมายความว่าต่างคนต่างก็กรมความลับของกันอะกันเอาไว้แล้วถ้าเราไม่เชื่อบาป บ, บุญ เราไปกินทิ่บ า, าทค่าสินบนแต่ความยุติธรรมมันก็เลือนหายไปดังนั้นเมื่อเรามองจากกองสศีละขันสมาธิขันปัญญาขันเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นวิถีชีวิตแน่นอนเราสัมผัสลึกซึ้งเต็มที่มันก็ยังทำไม่ได้เรา แต่ทำยังไงให้ประคับประคองชีวิตเราให้เดินไปบนเส้นทางของศีลขันสมาธิขันและกปัญญาขันได้ได้ปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ก็เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมันเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนามีโอกาสได้ศึกษาประพฤติปฏิบัติพัฒนาตน ไปตามหลักธรรมที่ผ่านการศัตรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้ามาเป็นเครื่องที่ควรแกาการภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขออยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจุมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี